ยีพระสุมนาเถรีภิกษุณีผู้เป็นน้องของพระเจ้ามหาโกศลชาติสุดท้ายนางเกิดเป็นพระภิกษณีน้องสาวของพระเจ้ามหาโกศลพระราชบิดาของพระเจ้าประเสิทธิโกศลกรุงสาวัตถีเธอฟังธรรมที่พระาศาสดาทรงแสดงแก่พระเจ้าประเสิที่โกศลโดยในเป็นต้นว่าดูก่อนมหาบอพิษ บุคคลสี่จำพวกเหล่านี้แลไม่พึงดูหมิ่นว่าเล็กน้อยคือหนึ่งกระสัตถ์ไม่ควรดูหมิ่นว่ายังทรงพระเยาว์อยู่ 2. ง, งูไม่ควรดูหมิ่นว่าตัวเล็กสไฟไม่ควรดูหมิ่นว่าเล็กน้อยสภิกษุไม่ควรดูหมิ่นว่ายังหนม่มเพราะว่าทั้งสี่อย่างนั้นอาจทําให้ถึงตายถึงความทุกข์ได้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 ให้ถวายแก่สงแล้วฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาบรรลุานาคามิผลกราบทูลขอบวชพระศาสดาทรงเห็นท่านมีญาณแก่กล้าได้ตรัสพระคถานี้ดูก่อนสุมนาผู้เจริญท่านจงเอาท่อนผ้าทำจีวร น, นุ่งหม่มจงพักผ่อนให้สบายเถิดเพราะราคะของท่านสงบแล้วท่านเป็นผู้มีความเย็นดับสนิทแล้ว ในเวลาจบคาถาท่านได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายและบวชเป็นภิกษุณีท่านบวชเมื่อมีอายุมากแล้วคนจึงเรียกท่านว่าวุธบันพชิตสุมนาแปลว่าบันพชิตผู้เจริญด้วยวัยชื่อสุมาา